ตั้งใจฟังธรรมเทศนาเพื่อให้สาเร็จประโยชน์แก่ตัวเองเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นส่วนมากการภาวการฟังเทศถึงแม้ประโยชน์คนอื่นถ้าหากไม่ทำประโยชน์ส่วนตัวมันก็ไม่เป็นประโยชน์เลย ประโยชน์ส่วนตัวเป็นของสำคัญที่สุดคนอื่นมันเห็นหักทําตามหรอกถ้าเราทำเป็นประโยชน์แก่ตนแล้วนตนเองไม่ทำไม่เป็นประโยชน์แก่ตนแล้วคนอื่นมาเอาตัวอย่างที่ไหนตัวอย่างทางดีทางชอบมันก็ดีที่ตัวของเรานั้นเอง การฟังเทศคอยคิดอย่างนี้ที่เขาคิดว่าพุทธเจาจะนาสอนให้เอาประโยชน์ส่วนตัวไม่คิดเพื่อแฝงคนอื่นอะไรไม่จริงมหายานไม่ต้องเอาประโยชน์ส่วนตัว คือไปประสงค์ประโยชน์ส่วนคนอื่นเห็นั้นพระโพธิญาณนีงค่อยมากควรอิ่มควรเอิบอะไรนั่นต่างเป็นพระโพธิญาณ น, นั้นผู้หญิงก็เป็นพโพธิญาณความเป็นจริงก็ประโยชน์ส่วนตัวนั่นเอะเป็นพระโพธิสัตว์กับส่วนตัวนั่นเองแต่ว่ามุ่งไปเพื่อประโยชน์คนอื่นพระโพธิสัตว์ก็มุ่ง ควาตัทโรเนี่ยจึงได้เรียกเป็นพฮกโพธิสัตว์เขาถือตื้นๆถือเปลือกๆถือฮกโพธิสัตว์ฮกโพธิสัตว์แปเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้ามีอยู่แต่ไม่ถือสมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่หรือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ ก็เหมือนกับตัวพระองค์เจ้ายังอยู่ทำไมยังต้องไปถือพระโพธิสัตการทำประโยชน์ส่วนตัวนี่คือการภาวนาตั้งใจกำหนดพิจจรนาภาวนาส่วนตัวอะไรเป็นตัวอะไรเป็นตน ใหเห็นตัวของตนได้ก่อนร่างกายนี่เริ่เป็นตัวร่างกายนี่ด้เป็นตนของตัวเลยนี้คนเพียงถือเพียงตื้ น, น, นๆเผลอๆก็เลยหยิบเออร่างกายนี่แหละขึ้นมาที่จะเอามาเป็นตนเป็นตัวแต่ว่าไม่ได้ ทำตัวให้เป็นประโยชน์แกตัวของตนเองถือร่างกายเป็นตัวแล้วก็เลยทนุถนอมบารุงบำเลอลปลุนปือให้อิ่มน้ําสําราญอยู่เย็นเป็นสุขคําว่าอยู่เย็นเป็นสุขเขาอิ่มน้ําสําราญมันอยู่ที่ไหนกันวะมันสุขที่ไหนมันไม่มีความสุขหรอก จะทำํำยังไงยังไงก็ไม่มีความสุขยิ่งกินก็ยิ่งแก่ยิ่งกินก็ยิ่งเท่าทุกวันลูกภัยใครเจ็บก็มีแทบทุกวันเรานั่งนอนยืนเดินนั่งนอนในิยาบทต่างๆคือเปลี่ยนนิยามบทนั่นเองการเปลี่ยนนิยามบทก็หมายความนั้น ไม่สบายไม่สบายมันยังเคยเจียนอิริยาบทอิริยาบทเป็นเครื่องระงับเสียซึ่งความกระวนกระวายเรียกว่าระงับทุกข์ในชั่วคราวอิรยาบทนั่งไปหายืนไปอิริยาบถเดินไปหาหนอดไปหานั่งอะไรต่าง คือมันไม่สบา ย, ยามันยังค่อยเปลี่ยนดิดีดยบุดรนั่นแหละจึงว่ามันมีสุขที่ไหนของที่บำรุงบำรเลอมันอยู่หาความสุขไม่ได้อะอยิงโลปไปจำตัวก็แล้วอด อ, อดแดดแจะตลอดเวลาน่อ่อนี่หรือตัวของเรา บอกได้ไว้ฟังกันอย่างชั่วน้อยวองไม่ได้ห้ามไม่ใฝันไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บไม่ให้แก่มันก็แก่ไม่ให้ตายมันก็ตายตายทุกวันเรานั่งอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าตายไปแล้วหลายนาทีเป็นหลายชั่วโมงละคือความแก่ น, นั่นเอง แต่ตัวของเราไม่ไม่ระ ล, ลึกไม่ได้เลยประมาทอยู่ถ้าลึกคนความแกงตนจะเสมอแลเสมอเงเห็นความแกงตนเป็นนิดไม่มีความประมาทต้องรีบเล่งประกอบความเพียรภาวนาะหรือสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีตน มันแก่เราไปหาตายาสิพอมาเปียบมันก็คนเข้าป่าตอนค่ำไปหาฟืนเนื้อหาไม้อะไรก็ตามเถึกเข้าป่าไปตอนค่ำรีบได้สิ่งได้ของอะไรก็รีบเก็บมาในหลวงได้ฟืนอะไรก็รีบเก็บมาใช่พอได้ใช้ได้สอย มันกลัวจะมืดกลัวจะคําอันนั่นก็ยังท่านก็ยังว่าท่านเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาณไฟไม่ผมหกคนเรานะไฟไม่สีสานะต้องรีบดับไม่มีใครจะปล่อยให้มันไหมตลอดเวลาหรอก รีบกลับรีบรี บ, รบดับเลยท่านเห็นชีตของตนเตรียบเมื่อกับไฟไหม้ผมขยันวันเพียรแล้วก็ความเพียรภาวนาหรือรักษาศีลเป็นนิตอันนี้การที่ว่าตนน่ะมันไม่ใช่ตัวของเรา เขาหากเกิดคือมาแล้วของหาแก่หาเจ็บชราในปดีสุดก็ดับสลายไปเป็นเรื่องของทั้งขานไม่ใช่ตัวของเราเรามาถือต่างหากน่ามายึดไว้ของกูงกูตังหากแต่แท้จริงไม่ใช่ของกู เพราะว่าของกูของกูนั่นเดีไปยึดเอาตัววัตถุในอของกูนั่นในร่างแล้วแตกดาบมันก็มาเห็นว่าของกูน่นในร่างแตกดาบก็หมดเรื่องหมดเพราว่าของกูมันหมดซ้ำไม่ทราบหายไปไหนนี่จึงว่าไม่ใช่ของเร า, าการพิจารณาเห็นที่ไม่ใหญ่ของเรานั้น มันเป็นประโยชน์แก่เราจริงคนอื่นเห็นตัวงเราเช่นนั้นยอ่อมกระทำตา่างเป็นเหตุให้เป็นประโยชน์แก่ตนะเป็นประโยชน์เป็นเหตุให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นต่อไปจึงควรพิจารณาอยู่เป็นนิบ คิดคนอยู่เป็นนิดถึงเรื่องตัวของเรามมีใครเห็นหรอกเราเห็นตัวของเราเองมมนมีใครคิดคนหรอกมีตัวงเรานี่คิดคนเองตัวงเราเป็นคนยึดคนถือตัวงเราก็ต้องเป็นคนละที่อันนี้มีแต่ยึดแต่ถือมันมีการละสักทีมันก็แย่สัะทีแบบนั้น ถือม <En. S 1> ันก็มาใจของเราถ้ยึดไปถือมันก็มาใจของเราถ้ายึดเปล่ายึดรวมเรื่องแรงแรงงานน่ะนี่เห็นได้อะไรคื้นมาเพียงแต่เราอยู่ชั่วคราวอาศัยชั่วคราว ะถ้าหากแล้วไม่หลอเลี้ยงร่างกายนี้มันก็อยู่ไม่ได้มันพันที่จะเสื่อมสูญชิบหายไปคือตายเหตุนั้นหล่อเลี้ยงไว้แต่อย่าไปหล่อเลี้ยงอย่างเดียวนหละล่อเลี้ยงเหมือนอย่างเดียวแล้วไม่ได้มันเพลินเพลิดเพลินมัวเมาทําให้เราลืมตัว เราเลี้ยงเราเห็นคุณค่าของการนะที่มันอยู่นั้นที่มันอยู่มันอยู่ได้ชั่ววันหนึ่งวันหนึ่งนะ้เห็นคุณค่าของมันเห็นประโยชน์ของมันว่า ม, มาทําประโยชน์ให้แกเราแล้วรีบเร่งหาทุนหาควาดีใช่ไหมไมาอีกเคยพูดดุจเสม อ, อว่า เลี้ยงมันนะ่ะชืว่วเลี้ยงมันให้อยู่นะใครเรียกว่าให้เลี้ยงมันให้อยู่ชั่วคราวหล่อเลี้ยงให้มันอยู่ชั่วคราวเปรียบเหมือนกับคนเช่าบ้านเช่าเรือนถ้ามาให้ค่าเช่าเขาก็ไล่หนีคือตาย ใ้ค่าเช่าก็พออยู่ได้เช่าแล้วไม่ใช่อยู่เปล่าต้องทําประโยชน์เช่าบ้านเช่าเรือนก็ไม่ใช่อยู่เปล่าก็เลยต้องทํามาหากินยังค่อยมีเงินสาหรับที่จะให้ค่าจ้างเขาให้ค่าเช่าเขาดังนั้นอย่างนั้นยังค่อยเป็นประโยชน์แก่ตัวขลงเ วันหนึ่งวันหนึ่งอ้คิดดูว่าเราคิดถึงความตายอย่างที่ว่าอันนี้ไม้มอย่าให้ร่วงเลยเสียเปล่าเลยไอ้คิดถึงความตายที่อย่างที่ว่านี่เนะี่ยจะเป็นคู่ไม่ประมาทในชีว่าเป็นคนไม่ประมาท ทำุณงานความดีนั้นให้สืบเนื่องไปโดยลำดับเทศนาอะ้ก็เทศเ ล, ลงมาสู่ความตายเดี่ยวเขาจะทาอะไรก็ทําไปเถอะลงมาเราลงมาสู่ความตายตายได้กัมดเลื่อนกันไปท่านยังไม่เห็นความตายตราบใดแล้ว พาะนาเขาไม่เป็นถ้าล้มสู่ความตายแล้วพาะนาล้มเลยตายแล้วมันได้อะไรไปคุณงามความดีที่เราทำนะั่นเป็นของติดตัวของเราไปสมบัติเข้าของทั้งหมดกองทิ้งอยู่ในโลกอันนี้ ทิ้งอยู่ในโลกอ น, นี้มันก็คลิปหายไปเหมือนกันอย่างเขาทำที่ดินไรนาถ้าโทกว้องขวงมากมายสมบัติพระสถานที่เขาหามาได้มากมายเราตายแล้วทิ้งไว้นี่แหละมันจะไปไหนคนที่มันรับหัวระบบต่อไปหรือคนมันรับทออต่อเราไปนั้นมันก็จะต้องทิ้งเหมือนกัน ในผนที่สุดก็ต้องทิ้งหมดไม่เห็นเลยไล่นาสะโถนที่กว้างขวางมันเป็นของใครมันกี่คนมาแล้วแต่ก่อนโรบโราณนะ่ะมันไล่นาอยู่ตามป่าตามดงมเป็นไล่เป็นสวนอยู่นั้นเจ้าของไปไหนหมด มเมือไกับที่ว่านเองทิ้งหมดคนก็ไม่มีตัวตนที่ทามผู้ทมก็ไม่มีตัวตนวัตถุโบราณสิ่งที่เป็นจริงก่อสร้างที่เป็นฐานวัตถุท่าถนมมนเหมือนคนโบ ร, ราณสร้างแต่ก่อนเก่ามันไปแน่นอนจะพวกสร้างเหมนั้น นครเวชฐมนครศรีธรรมราชสร้างว่าใหญ่โตไปในหมดแล้วพวกนั้นอพวกที่เดี๋ยวนี้สร้า ง, างเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันมันก็ยังเหมือนกับพวกนั้นเนี่ยจึงมาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ของเราเป็นของอนัตตาทอดทิ้งอยู่ในโลกอนี้ทั้งหมด ในคนจุดของในโลกนี้ก็ทิ้งไว้กันอย่างธาตุพนมธาตุนครพิทรอมดคนในปวงในโลกนี้มดมีวันหนึ่งซึ่งจะต้องสจบหายของนั้นก็จะต้องสลายเสื่อมสูแล้วะที่เรียวกว่าประดิษกประดิกันไม่มีคนเหลือหรอกทุกคนเดียวในโลกนี้พิจารณาเห็นอย่างนี้จิตใจมันยังค่อยลง คำภาวนาสมาธิต้องจิตมันลงถึงความตายเห็นความตายมันค่อยลงจึงค่อยลงไปจึงค่อยลงเป็นสมาธิได้พิจารณ า, าฟ้าก็คือความตายนั่นเองลมหายใจเขา้าหายใจออกถ้ามันเห็นความตายนั่นเนี่ย ให้ใจเข้ามาให้ใจออกก็ตายให้ใจออกให้ใจเข้าก็ตายตายแล้วหมดเรื่องก็มีอะไรให้มันเห็นสันส่นๆตรงน้นรรมสมาธิภานานม่ต้องสั่นไม่ต้องไม่ต้องยืดยาวห่วงห่วงยืดยาวไม่เป็นสมาธิต้องทาเฉพาะสันส่น เห็นเจ้าพ่อรวมหายใจเขาออกกาเป็นความตายอยู่เฉพาะรวมหายใจเขาออกนั้นมันจะคอยรวมมักว่าเป็นสมาธิได้รวมเปนสมาธิจนเป็นเอกาตาลมมีอารมณ์มันเดียวแน่วแนว่จนถึงเอกาตาจิตไม่มีอะไรเสียเลยหมดเรื่องไปทำวมที่มันต้องรวมมาอย่างนั้นอันค่วงขวงมันก่วงไปเองหรอ มันก้วงอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรเกิดส ม, มาวก้วงอยู่แล้วมันก้วงออกไปเองไม่ต้องกลวงควงทายัไงไงมันจะรวมลงเป็นสมาธิได้เขาให้ทำไปเถอะท่านี้ก็พอไม่ต้องทำมากมายเอาละสนม หัดตายกันหัดตายมันจะมี้ชำนาญอย่างที่อธิบายมาแล้วหัดตายคือความสระปล่อยวางจนไม่มีอะไรเหลือยังเหลือแต่จิตร่างกายมันไม่ใช่ของเรายังเหลือแต่จิตจิตก็ไม่ใช่ของเรา คิดก็แปลงของกรับกาะกวนไว้ไปมาได้ศึกษหมดสศราหมดแล้วยังเหลืออะไรอันผู้เหลือผู้ที่ว่าสษะท่ว ม, ะนะมันหมดนั่นอ่นะมันยังมีอยู่อันผู้นั้นมันยังมีอยู่มันยังไแม่ท่นหมด น, นคําว่าหมดอมหมดในที่นี้คําว่าตายในที่นี้ตายไปหมดทุกสิ่งทั้งส่วนที่ของภายนอกปั่นไหวไปไมาไอ้นี่เรียกว่าตายแล้อันที่ของภายในคือจิตใจที่วนบุวนวี่วนวายเดือดร้อนกรนะับซาปสานั้นอันนั้นก็นหมดไปเหมือนกัน ผู้นั้นมันยังเหลือมันยังถ้าค่อยเกิดอีกนผู้นั้นหมดแล้วก็ไม่เกิดอีกผู้ที่เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ของมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสูญเปล่าหมดหายหมดเมื่อของอันนี้เป็นหมด แ, แล้วไม่มีเครื่องยึดไม่มีเครื่องถือผู้นั้นก็ไม่ปรากฏด้วยกัน มันผู้ไปรู้ไปเห็นแลก็ไปปรากฏเหมือนกันที่เล็ดดับหมดสทุกสิ่งทุกอย่างยังเหลือแต่ผู้ผรู้ผูรู้นั่นกันเมื่อมีภาสาทสัมผัสหรือเมื่อมีอายตนาภาษาอยู่ก็จำเป็นจะต้องยังเหลืออยู่ท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านรู้แล้วท่านไปยึดถือ ต่อเมื่อมีสิ่งทั้งหลายเหล่า น, นั้นไม่มีอายตนาพษษาัสตาหมดเรื่องไปเมื่อหมดแล้วคุณนั้นก็ไม่ปราบหมดมันจะเอาอะไรมาใช้ไม่มีเครื่องใช้เมื่อหมดเรื่องทงั่งดีนั่นข้อใหญ่ใหญ่กว่ในการทำคโครงการภาวนาเพื่อละเพื่อทิ้งเพื่อถอนเพื่อหัดตัวให้ตาย เราตายไปวันหนึ่งวันหนึ่งหัดตายแต่มันได้สักหนท่องหนก็นยังดีอยู่ที่จะให้รู้ดังที่ว่านั้นต้องตั้งสติกำลดจิตผูนี้เสียก่อนถ้ายังไม่เห็นจิตมันก็ไม่ักไม่ทิ้งไม่ถอนเมื่อละกำลดจิตผูนี้แหละ ตั้งสติกับรถของคนนี้แหละเห็นหนักการของจิตดิ้นโลนก็ดีเสือกซนไปมาหน้าหลังอะไรต่างๆปุ่มแต่งด้วยประการต่างๆเห็นหนักการของจิตเห็นหนักการอย่างนี้แหละเรียกว่าเราเห็นโทษทุกข์ของมัน เห็นโทษทุกข์ของจิตแล้วก็เบื่อหน่ายในการเบื่อหน่ายก็ไม่ได้จะไปทิ้งไหนมันก็เมื่อร่างกายนี่แหละเบื่อหน่ายเห็นโทษทุกข์อันนี้ก็ไม่ใจ่ไปทิ้งไหนประจําเป็นต้องรักษาพยุงพยายามรักษาไปพอได้อาศัยวันหนึ่งวันหนึ่งอย่ามาค่าจ้างออกันไป คาจ้างวันวนหนึ่งวันหนึ่งวั น, มนหมดมุมากน้อยเท่าไหร่นับไม่ถ้วนไม่ว่าคนมีคนจนจําเป็นต้องหาค่าจ้างมันทั้งหมดมหาการกินอุดมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรียวกว่าปัจจัยชาติทั้งสี่อันเถอะเรื่องเครื่องจ้างเของมัน เนี่ยมันอยู่ได้ใั้มันอยู่ได้ล้วก็มาพิจนารณานั่นและสิมันสิ่งที่ค่าจ้างมันที่หมดเรืองวันนั้นเมื่อเข้าเข้จใจอย่างนี้แล้วจรจิตเนีเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ส่งผู้สายไปตามอาการทั้งหลายแล้านั้นคราวนี้ยังเหลือแต่ผู้จิตทิ้งของวันนั้น ไม่ใช่ของเราทั้งหมดเียงได้ค่าจ้างสดข้างเท้าขาวบ้านเรือนนไม่ได้ใช่ของเราช้างเขาอยู่นั่นจิตใจนีกนกามืะกังยังได้อาศัยใช้มันไปชั่วคข้างเท้าขาวเพราะมีอายตนะภัสสะเมื่ออายตนะภัสสะดับแล้ว ไม่ um ไมีอะไรเป็นเครื่องจ้างผู้อยู่ก็เลยมดเรื่องเค id ่ว่าดับก็ไม่ใช่เค่ว่าตายก็ไม่ใช่เค่ว่าไม่ดับก็ไม่ใช่เพราะไม่มีเครื่องวัดมันมีเครื่องรู้ไม่มีเครื่องอยู่เขาอยู่ทุกวันนี้เพราะมีเครื่องอยู่ยังผูอยู่ได้ ให้เห็นตัวจิตนั่นแหละคำว่าแต่เห็นตัวจิตนั่นแหละถ้าเมื่อคำว่าแต่เห็นตัวจิตวางจิต้อะไรมันก็อยู่เฉยมันพูดเฉยนะมันยังมีอยู่รู้เฉยนะมีอยู่ไม่คิดไม่นึกแต่มีความรู้สึกอยู่ต่างนั้เข้ามัน มันเข้าถึงเสมอเสมอใหามันตายยทุกวันพิจารณาความตายจนให้มันเข้าถึงความตายนะั่นแหละความรู้อะไรต่งตางๆที่มันรู้ออกไปมันรู้ไปตามจิตนะนะั่นแหละจิตที่มันคิดนึกที่มันประสาทนั่นแหะนะมากมายล้วงหลายออกไปนะั่นก็เพราะความรู้นะนะั้นแหะที่มันส่งออกไปนะ แต่ว่าส่งออกไปดูความรู้เท่าดูความรู้จริงของมันพูดด้วยตนนันเองพูดขอละเอียดไปหน่อย <c oughs> ถึงไงไงก็ให้พากยพิจารณาตามไปก่อนบางทีอาจจะพอรู้ได้